ประจำประเทศของเขาว่า ง, งั้นเถอะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสู้ใหม่ท่านก็บอกว่าถ้าจะไปเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังทีเดียวหนึ่งเขาคงจะไม่ยอมรับเพราะนั้นเราต้องไปเทศอาจารย์เขาซะก่อนให้อาจารย์เขายอมรับซะก่อนออให้ยอมรับพุทธศาสนาซะก่อนแล้วจึงไปเทศลูกศิษย์อีกทีหนึ่งว่า ง, งั้นเถอะอันนี้แนวความคิดของพระพุทธเจ้าเด้่ยจากนั้นท่านก็ไปโปรดชนินสามพี่น้อง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 อุลุเวลาคาสปาเนี่มีวัดอยู่เหนือน้ํานะนทีคาสปาองไปขยาคาสปะเป็นน้องสุดท้องเนี่ยอยู่สุดท้ายว่างั้นเถอะคืออย่างแม่น้ําโขงเนี่ยอุรุเวลาคาสปาตั้งวัดอยู่อำเภอสังคมว่างั้นเถอะนาทีคาสปาเนี่ยตั้งอยู่สีเชียงใหม่ว่างนไปขยาคาสปาเนี่ยตั้งอยู่ท่าบ่ออย่างนั้นนะคือเป็นสำนักปิดลิมน้ําทั้งสาแห่งเลยว่างั้นเถะสามพี่น้องแต่นี้กุฏิเจ้า ม, มาโปรดอุรุเวลาคาสปะที่ชายใหญ่ครับ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 งูหามก็เลื้อยเลื ย, เลยมามันมาเห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนก็นคงจะกัดมัง้งเทนี้กระแตมันก็นกร้องจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊จ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจดเน๊เเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊มจทเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจแน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 บ้านสร้างเรือนเข้ามามันก็กลายเป็นวัดบ้านไปวันนั้นท่าจะพูดไปแล้ววัดป่ากับวัดบ้านวัดไหนเกิดก่อนกันก็ต้องวัดป่านะมีตำรับตำราอ้างเิงด้วยว่า ง, งั้นเถอะแต่วัดบ้านเนี่พอวัดมัน ต, ตั้งแล้วมันขยับไม่ได้เนะี่ยแต่คนขยับเข้ามาได้นะนเาาดนยะคนของร อ, อบๆก็เป็นวัดบ้านไปเออตอนนี้ไปอนุโมทนานะให้พรนะ่าี่นี่นะ